ทำอย่างไรจะหายหมันไส้ถามถ้าหมันไส้ใครคนหนึ่งไม่หายจะทําอย่างไรดีครับพยายามตั้งความนึกคิดเป็นกุศลกับเขาแล้วแต่อย่างไรก็ต้องเวียนกลับมาหมันไส้อยู่ดีเหมือนใจเห็นไปแล้วว่าเขามีข้อเสียอย่างไรนึกถึงเขาเมื่อไหร่เล่นเล่งหยุดแต่ข้อเสียตรงนั้นไม่เลิก ตอนนี้ไม่ค่อยอยากมีจิตเป็นอกุศลกับใครอีกแล้วขอคําแนะนำด้วยนะครับตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติของใจคนเรานั้นไหลลงต่ำหมายความว่าถ้าจะขึ้นสูงก็ต้องออกแรงทวนกระแสจากความจริงนี้ ผมขอตั้งริษฎดขึ้นมาข้อหนึ่งนะครับคือกำลังของใจที่ใช้ในการคิดไม่ดีมีขนาดเท่าใดต้องใช้กำลังของใจในการคิดดีเป็นสองเท่าจึงจะลบล้างความคิดไม่ดีเดิมได้แปลว่าถ้าคุณคิดหมั่นไส้ใครแล้วแค่จะคิดตัดสินใจเลิกหมั่นไส้ดือด้อนั้นไม่น่าเป็นไปได้เว้นแต่คุณจะลงทุนออกแรงมากกว่าคิด ลองเอาชนะกรรมทางความคิดเดิมด้วยกรรมใหม่ที่มีกำลังเหนือกว่าซึ่งไม่ยากเกินไปดังนี้ 1. เห็นโทษของการเป็นคนมีนิสัยขี้หมันไส้ว่าอาจก่อให้เกิดความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีและการกระทำไม่ดีเราตั้งใจเลิกนิสัยนิสาะ การเห็นโทษของบาปหรืออกุศลเท่านั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้จิตฉลาดในกรรมอย่างแท้จริงเช่นหากปราศจากซึ่งการเห็นโทษของการหมั่นไส้ซะแล้วคุณจะเอากำลังใจคิดอยากเลิกหมั่นไส้มาแต่ไหน 2. เห็นด้านดีของคนที่คุณหมั่นไส้หมายถึงต้องเลง็งต้องสังเกต หรือต้องสำรวจกันจริงๆไม่ใช่มองเล่นๆพยายามหาให้เจอและคุณรู้สึกออกมาจากส่วนลึกว่านั่นคือความดีของเขานั่นคือคุณประโยชน์ของการมีเขาอยู่ในโลกจากนั้นให้เอาข้อดีที่พบไปพูดสรรเสริญให้คนอื่นฟังเพียงแค่ครั้งสองครั้งคุณจะเห็นใจตัวเองแตกต่างไปคือรู้สึกจดจำเขาในภาพใหม่ขึ้นมา นั่นก็เพราะคุณสร้างใจจริงดีๆ ด, ด้วยการมองเห็นกรรมดีของเขาตามจริงแถมสัมทับซ้ำให้หนักแน่นด้วยการพูดดีเชิดชูเขาเท่ากับก่อทั้งมโนสุจริตและวจีสุจริตชนะมโนทุจริตเดิมขาดลอยเว้นแต่คุณไปว่าร้ายเขามานานอันนี้ก็ต้องตามแก้ด้วยน้ำหนักบุญใหม่พูดถึงเขาในด้านดีไปเรื่อยเอยจนกว่าจะได้น้าหนักเกินบาปเก่า ซึ่งจะรู้ได้ว่าถึงจุดนั้นก็เมื่อใจคุณจะเบาหวิวมีแต่มุมมองด้านดีเห็นเขาและอยากยิ้มไม่คิดเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนอันใดอีกเลยความหมันไส้เป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งของมนุษย์และสัตว์มองหน้ากันแวบแรกสามารถเขมน่นกันได้ทันทีอาจเพราะรูปร่างหน้าตาดีกว่าเรา อาจเพราะได้ดีเกินที่เรารู้สึกว่าควรหรืออาจเพราะเคยมีความผูกพันทางด้านร้ายกันมาแต่ปางก่อนอย่างไรโดยธรรมชาติอันเป็นที่สุดแล้วต้นต่อความมั่นไส้มาจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นหลักคนจนมั่นไส้คนรวยคนตัวเหม็นมั่นไส้คนตัวหอมคนทุสีลมั่นไส้คนมีสีนเรียกว่าธรรมดาโลก มนุษย์เนี่ยนะครับเพียงชาติเดียวก็เห็นอะไรได้หลายอย่างชีวิตเปิดโอกาสให้เราเคยเป็นทั้งผู้มองและผู้ถูกมองเวลาเรามองคนอื่นเรามักไปตั้งความคาดหวังว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่เป็นอย่างนี้ต่อเมื่อสลับที่ยืนถึงเวลาเราไปอยู่ในจุดที่ถูกมองเราก็อาจสงสัยว่าทำไมเขาไม่มองเราอย่างนี้ ทำไมเขาถึงมองเราตเตลิดเปิดเปิงไปได้ขนาดนั้นคนเราเข้าถึงกันได้จำกัดแต่เราคนอยู่ในกรอบของตัวเองกรอบที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์มุมมองความเชื่อและความรู้สึกยิ่งกว่านั้นคนเรามักจะนึกว่าเข้าใจสิ่งที่คนอื่นคิดโดยเอาความคิดของตนเองเป็นเครื่องวัดเช่นถ้าเรามาทำงานเร็วเพื่อเอาหน้า พอเห็นคนอื่นมาทำงานเร็วก็นึกว่าเขาอยากเอาหน้าเช่นกันทั้งที่ความคิดของเขาอาจแค่อยากเลี่ยงรถติดเท่านั้นหากมีอุบายใดที่คิดพูดและทำกับคนถูกมันไส้แล้วใจคุณรินเมตตาออกมาก็เอาเลยครับอย่าช้าเพราะเมตตานั่นแหละเป็นเคลื่อนจิต ด, ด้านบวก ที่ลบล้างมวลถิ่นทางใจได้ครอบจักรวาลแท้